เรานี้มาดูพุทธพจน์คือพระดำรัตของพระพุทธเจ้าเองในข้อความร้อยแก้วที่ตรัสถึงภาวิสีที่ถือว่าขยายกระจายออกไปจากภาวิตัดนั้นยกมาพอเป็นตัวอย่างภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยคือภายในอนาคตห้าประการนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในบนัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยเหล่านั้น เธอทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้รันตระหนักทันการแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันภัยเหล่านั้นอนาคตตภัย5ประการเป็นไนเปล่าคือในการอนาคตจะมีภิกษุทั้งหลายผู้มีใจภาวิตกายไม่ได้พัฒนากายมีใจภาวิตศีลไม่ได้พัฒนาศีลมีใจภาวิจจิตไม่ได้พัฒนาจิตมีใจภาวิจปัญญา มิได้พัฒนาปัญญาภิกษุเหล่านั้นทั้งที่ตนมิได้พัฒนากายมิได้พัฒนาศีลมิได้พัฒนาจิตมิได้พัฒนาปัญญาก็จักเป็นอุปชาให้อุปสมบทคนอื่นๆหละจากไม่สามารถแนะนำผู้ที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้นในอาทิศีลในอาทิจิตคือสมาธิในอาทิปัญญาแม้เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้นก็จักเป็นผู้ไม่ใช่ภาวิย์กาย คือไม่ได้พัฒนากายไม่ใช่ภาวิศี์ไม่ได้พัฒนาศีลไม่ใช่ภาวิจิตไม่ได้พัฒนาจิตไม่ใช่ภาวิตปัญญาไม่ได้พัฒนาปัญญาเหล่าผู้ที่รับอุปสมบทนั้นทั้งที่ตนไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตไม่ได้พัฒนาปัญญาก็จกเป็นอุปชาให้อุปสมบทคนอื่นๆหลาจากไม่สามารถแนะนาเหาคนที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอาธิศีนในอาธิจิตในอาธิปัญญาแม้เหล่าคนที่ได้รับอุปสมบทนั้นก็จกเป็นผู้ไม่ใช่พาวิตกายมิใช่พาวิศีนไม่ใช่พาวิจิตไม่ใช่พาวิาวปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้แหลเพราะธรรมะเลื่อเรือนวินัยก็เลือเรือนเพราะวินัยเลื่อเรือนธรรมะก็เล่อนเรือนภิษุธทั้งหลาย อนาคตภัยข้อที่หนึ่งนี้ยังมิได้เกิดขึ้นในบนัดนี้แต่จากบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนั้นอันเธอทั้งหลายพึงตรหนักรู้ไวครันรู้ตรหนักแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันภัยนั้นเสียอีกประการหนึ่งในการอนาคตจะมีภิกษุทั้งหลายผู้มิใช่ภาวิตกายคือมิได้พัฒนากาย มิใช่ภาวิตศีลคือมิได้พัฒนาศีลมิใช่ภาวิตจิตคือมิได้พัฒนาจิตมิใช่ภาวิตปัญญามิได้พัฒนาปัญญาภิกสุเหล่านั้นทั้งที่ตนมิได้พัฒนากายมิได้พัฒนาศีลมิได้พัฒนาจิตมิได้พัฒนาปัญญาก็จักให้นิสัยคือรับเป็นอาจารย์แก่เหล่าพิษุอื่นและจักไม่สามารถแนะนำเหล่าพิษุที่ถือนิสัยคือเป็นศิษย์นั้น ในอาทิศีลในอาทิจิตในอาทิปัญญาแม้เราภิกษุที่ถือนิสัยค er ือเป็นศีตนั <off <off ้นก็จะเป็นผู้มิใช่พาวิตกายมิใช่ภาวิตศีลมิใช่ภาวิตจิตมิใช่พาวิตย์ปัญญาเราภิกษุที่ได้ถือนิสัยนั้นทั้งที่ตนมิได้พัฒนากายมิได้พัฒนาศีลมิได้พัฒนาจิตมิได้พัฒนาปัญญาก็จให้นิสัย คือรับเป็นอาจารย์แก่เหล่าภิกษุอื่นและจักไม่สามารถแนะนำภิกษุเหล่านั้นในอาธิศีลในอาธิจิตในอาธิปัญญาแม้เหล่าภิกษุที่ได้ถือนิสัยนั้นก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิกายมิใช่ภาวิศีลมิใช่ภาวิจิตมิใช่ภาวิปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้แหลเพราะธรรมะเลือนวีนยนก็เลือน ะวิเนยเลอะเลือนธรรมะก็เลอะเลือนภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยข้อที่สองนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จกบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนั้นอันเธอทั้งหลายพึงตรหนักรู้ไว้รันรู้ตรหนักแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันภัยนั้นเสีย ในพุทธพจน์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้มีข้อสังเกตที่ยงไปสู่ความรู้เข้าใจหลักธรรมใหญ่ที่สำคัญมากเช่นคุณบทคือคำแสดงพระคุณหรือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าเป็นพาวิตั์ซึ่งบางทีใช้คำอื่นที่มีความหมายเหมือนกันโดยเฉพาะอัตทันตะที่แปลว่าผู้ฝึกตนแล้ว ในคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ว่ามนุษย์สภูตังสามพุทธทังอัตทันตังสมาหิตังพระสัมพุทธเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ทรงฝึกพระองค์แล้วเทวาปีตังนมัสสันติมีพระหรทัยอบรมถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อนมนมัสการคุณบทคือคําแสดงพระคุณหรือคุณสมบัติ ของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าเป็นภาวิ ต, ตรัตคือผู้ได้พัฒนาตนแล้วจบการฝึกอบรมตนแล้วเมื่อกระจายความหมายออกไปเป็นภาวิตรกายหรือภาวิตกา ย, ากายมีกายที่พัฒนาแล้วภาวิตศีนมีศีนที่พัฒนาแล้วภาวิตจิตมีจิตที่พัฒนาแล้วและภาวิตปัญญามีปัญญาที่พัฒนาแล้ว ก็โยงหรือบ่งถึงหลักธรรมจุดภาวนาศีอันได้แก่กายภาวนาการพัฒนากายศีลภาวนาการพัฒนาศีลจิตตะภาวนาการพัฒนาจิตและปัญญาภาวนาการพัฒนาปัญญาขอทำความเข้าใจว่าที่พูดนี้เป็นเรื่องของหลักภาษาบาลีคือภาวิตะเป็นคุณศัพท์หรือคำวิเศษ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 และดังนั้นพาวิตย์กายก็คือผู้ที่ได้ทำกายภาวนาแล้วพาวิตย์ศีลคือผู้ที่ได้ทำศีลภาวนาแล้วพาวิตย์จิตก็คือผู้ที่ได้ทำจิตตาภาวนาแล้วและภาวิตย์ปัญญาคือผู้ที่ได้ทำปัญญาภาวนาแล้วนี่ก็เท่ากับบอกว่าพระอรหันต์คือท่านผู้ได้ทำภาวนาสี่เสร็จแล้วคือจบทั้งกายภาวนาศีลภาวนา จิตตภาวนาและปัญญาภาวนาถึงตอนนี้ก็จึิงต้องรู้ว่าภาวนาสี่นั้นคืออะไรขอแสดงความหมายไว้สั้นๆดังนี้ซึ่งข้อ3จิตตภาวนาและสปัญญาภาวนาผู้ศึกษาได้ยินคุ้นอยู่แล้ว 1. กายภาวนาการเจริญกาย หรือพัฒนากายพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพรวมทั้งเทคโนโลยีโดยเฉพาะรับรู้สิ่งทั้งหลายทางอินทรีย์ห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายด้วยดีโดยปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมีให้เกิดโทษให้กุศลธรรมงอกงามให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ สศีลภาวนาการเจริญศีลหรือพัฒนาศีลคือพัฒนาความประพฤติพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมโดยตั้งอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีเพื่อกูลกัน 3. จิตตกภาวนาการเจริญจิต หรือพัฒนาจิตคือฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญ ง, งอกงามด้วยคุณธรรมเช่นมีเมตตากรุณามีชันทะขยันมันเพียรอดทนมีสมาธิและสดชื่นเบิกบานเป็นสุขผ่องใสเป็นต้น 4. ปัญญาภาวนาการเจริญปัญญาหรือพัฒนาปัญญา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 เมื่อรู้ความหมายของหลักธรรมคือภาวนาที่เป็นเนื้อตัวของการปฏิบัติทั้งสี่แล้วก็เข้าใจพาวิตที่เป็นคุณสมบัติของท่านผู้จบการปฏิบัติผู้มีธรรมะทั้งสข้อนั้นแล้วดังนี้ 1. ภพาวิตย์กายผู้ได้เจริญกายหรือมีกายที่พัฒนาแล้วคือได้ฝึกอบรมพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพ โดยรู้จักอยู่ดีมีสุขอย่างเกื้อกูล ก, กันกับสิ่งสารและธรรมชาติโดยเฉพาะให้การรับรู้ทางอินทรีย์ห้าเช่นดูฟังเป็นไปด้วยสติและเพื่อปัญญาและให้การใช้สอยเสพบริโภคต่างๆเป็นไปอย่างพอดีที่จะได้คุณค่าแท้ที่เป็นประโยชน์จริงไม่หลงไหลเตลิดเพลิดไปตามอิทธิพลของความชอบใจหรือไม่ชอบใจไม่ลุ่มหลงมัวเมา มีให้เกิดโทษแต่ให้เป็นคุณมีให้ถูกบาปอกุศลครอบงำแต่หนุนให้กุศละธรรมงอกงาม 2. ภาวิศีนผู้ได้เจริญศีลหรือมีศีลที่พัฒนาแล้วคือได้พัฒนาความประพฤติมีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์ทางสังคมโดยตั้งอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี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 ให้สดใสเบิกบานร่าเริงผ่องใสโปร่งโล่งเป็นสุขเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลายเช่นมีน้ำใจเมตตากรุณาศรัทธากระตันยูกะตะเวทิตาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่หมั่นขยันเพียรเข้มแข็งอดทนสงบมั่นคงมีสติมีสมาธิเป็นต้น 4. ภาวิท ญ, ญา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 ข้อที่น่าสังเกตอย่างยิ่งในพุทธพจน์นั้นอยู่ตรงที่ตรัสว่าเหล่าภิกษุผู้มิใช่ภาวิตกายภาวิจศีลภาวิจจิตภาวิจปัญญาคือมิได้พัฒนากายศีลจิตปัญญาจะเป็นอุปชาอาจารย์ฝึกสอนผู้อื่นและจักไม่สามารถแนะนำภิกษุทั้งหลายที่เป็นสิทธิ์ในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรือในศีลสมาธิปัญญาที่น่าสังเกตก็คือ เวลาตรัสถึงคุณสมบัติของผู้สอนส่งใช้คำในชุดภาวิสีทางกายศีลจิตและปัญญาแต่เวลาตรัสถึงสิ่งที่สอนคือหลักธรรมหรือตัวข้อปฏิบัติส่งใช้คำในชุดสิกขาสามที่เราเรียกกันให้สะดวกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาเรียกเต็มว่าอธิศีลศสิกขาอธิ จ, จิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขา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 แล้วก็มีข้อที่สนับสนุนซ้าอีกว่าทั้งในชุดพาวิตรและภาวนาศีก็ดีในชุดสิกขาสามก็ดีหัวข้อย่อยก็เหมือนเหมือนกันชุดแรกว่ากายศีลจิตใจและปัญญาส่วนชุดหลังก็มีศีลสมาธิคือจิตใจและปัญญาแทบตรงกันเพราะฉะนั้นทั้งตอนต้นและตอนหลังก็น่าจะทรงใช้ชุดใดชุดหนึ่งอย่างเดียวกัน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 ในข้อนี้จับแง่กันแค่นี้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าตรัสแสดงหลักแยกเป็นสองชุดหลักที่แสดงคุณสมบัติของผู้สอนทรงใช้ภาวิสีส่วนหลักการสอนทรงใช้สิกขาสามตอนนี้ยังไม่พูดถึงเหตุผลที่ว่าเหตุใดจึงทรงแยกใช้หลักต่างกันเป็นสองชุดอันนั้นยกไปดูกันในข้อต่อไป